บุกทูแปดสิบเจ็ดอดีตการของกริยาช่วยเราต้องรดน้ำดอกไม้ ม m u š i približ k v เราต้องทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์เราต้องล้างจานม m u š i l p r m e t p u š u คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่าคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าใครต้องการลาจากกันใครต้องการกลับบ้านก่อน ใครต้องนั่งรถไฟ н ว к เราไม่อยากอยู่นานเราไม่อยากดื่มอะไร เราไม่อยากรบกวนคุณมึเนิฮะทีลีปีาราชกัดจตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ยาคัดทีลาจาราสปะเทลีฟันวัดดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ยาคัดทีลาวิคลิกัดตักซที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน хотела поехать ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณคดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Я д у м ด л а да ты х ล้ е เ п อ т ะ л е ф ไ н ร в а ห ь ้ д ว в е อ к у ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซา